อย่าส่งจิตออกนอกออกมันไปคนละทิศละทางใม่ใจเราถูกดึงดูดออกข้างนอกตลอดเวลาเรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราทิ้งตัวเองบ่อยที่สุดเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่หรอกแต่เราสนใจเขาเรารักตัวเองที่สุดแต่เราทิ้งมันบ่อยที่สุดลืมทั้งวัน งั้นต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆองหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปถนะ้ใจมันเคลื่อนไปก็รู้ใจเคลื่อนเรารู้ใจมันเคลื่อนเรารู้นียจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองเงั้นเวลาหลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อไม่ได้แค่บอกว่าไปทําอย่างนี้อย่างนี้จะบอกวิธีการให้ด้วย อันนี้เป็นวิธีสอนที่ครูบาจารย์แต่ก่อนไม่ค่อยสอนอมีพระมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่กับครูบาจารย์บอกปีแรกไปอยู่ด้วยปีแรกครูบาจารย์สั่งท่านบอกพุทธโทรไปท่านก็พุทธโทรพุโทโธไปเรื่อยนะทั้งวันเลยปีที่สองพุทธโทรเนี่ยหนึ่งปีปีที่สอ ง, ง, สองวันหนึ่งเดินบินธบศูนย์กับอาจารย์ าจารย์ก็บอกว่ารู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้เนื้อสอนอย่างนี้นะนานจะสอนทีหนึ่งแต่หลวงพ่อจะสอนถึงขนาดว่าจะต้องทำอะไรอย่างจะต้องรู้สึกตัวรู้สึกเพื่ออะไรเห็นต้องรู้เหตุรู้ผลนจะรู้สึกอย่างไรทำไงถึงจะรู้สึกบอกให้ละเอียดเลยไม่ต้องเสียเวลาคนกว้านานงั้นก็คนกว้ากันแต่ละคำสอนเนี่ย ใช้เวลาเป็นปีๆคําสอนบางคำสอนนะใช้เวลานา น, านมากเลยหลายปีเลยกว่าจะเข้าใจนี่พอหลวงพ่อสอนละเอียดนะว่าจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทําแล้วมีผลเป็นยังไงนะบางคนเลยจําไว้คิดว่ารู้แล้วยังไม่รู้หรอกรานั้นสมองมันรู้ใจยังไม่รู้นะต่อไปก็ต้องมาหัดดูของจริงรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวก็คือจิตมีสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเอง ที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่สบายๆนะต้องแบ่งเวลานะทุกวันทําในรูปแบบไอ้ศีลนหนะ้าะตั้งใจรักษาไว้ทั้งวันนะเช้าสายบ่ายเย็นนะกลางคืนตั้งใจรักษาเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วก็แบ่งเวลาไว้แต่ละวันคนไหนมีเวลาเหมาะตอนเช้าก็ทําแต่เช้าก่อนไปทํางานคนไหนเช้าไม่สะดวก เอาคกลางวันก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วถ้ามีเวลามาทําในรูปแบบบางคนเช้าก็ไม่เหมาะกลางวันก็ไม่เหมาะเหมาะกลางคืนเหมาะเย็นๆอนะย่นีก่อนนอนก็ทำซะกลับบ้านแล้วอย่ามัวแต่ดูหนังดูละครให้ย้อนมาดูตัวเองก่อนเอาเวลามาพาวนาให้มากขึ้นหน่อยไม่เช่นนั้นเราจะเอาเวลาไปเล่นอย่างอื่นก่อน จนเดี้ ง, ง่วงเต็มทีแล้วก็จะมานั่งภาวนาย่งไม่ได้กินหรอกนั่งหลับแล้วละมันหมดแรงแล้วต้องเอาตอนที่ยังมีแรงอยู่หลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมตอนเช้าไม่ได้ทําหรอกมันตลีตาลานไปทํางานกลางวันนี่กินข้าวกลางวันเสร็จนะีปฏิบัตินะเดินเดินจงกรมแต่จะเดินกลับไปกลับมาในที่ทํางานนะั่งคนเช่วยะว่าบ้า เพราะในโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนบ้ามันเห็นคนไม่บ้ามันว่าบ้าเลยนะ <c oughs> เหมือนสมเด็จโตท่านบอกว่าเวลาสมเด็จโตบ้านะมันว่าสมเด็จโตดีเวลาสมเด็จโตดนะีมันว่าสมเด็จ โ, <c oughs> โ, โตบ้าโลกนี้เป็นโลกของคนบ้าอย่างเรานั่งสมาธิภาวนานะมม่ ว, ว่าเราบ้าถ้าเราถือศีลมันก็ว่าเราโง่เราก็อย่าไปเถียงกับเขาเสียเวลาบ้าก็บ้าสิวะตรงนี้นะหลวงพ่อ <c oughs> ใช้วิธี เดินจงกลมแบบไ ม, ม่ให้ใครรูนะ้กินข้าวเสร็จแล้วก็ก่อนอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลทํางานอยู่สภาความมั่นคงกลางวันกินข้าวเสร็จนะก็เดินบางวันก็เดินไปวัดสมานัตวิหารนะบางวันก็เดินไปวัดเบญจมาศบพิธนะไปถึงก็ไม่ได้ทำอะไรไปไหว้พระนะไหว้พระแล้วก็เดินกลับแค่นั้นแหละนั่นแหละเดินจงกรมเพราะตอนเดินนะรู้สึกตัวไปขากลับก็รู้สึกตัวกลับมานะ ทำอย่างเงี้ยคนก็ถามว่าทำไมต้องไปเดินทุกวันว่ากินข้าวอิ่มอิ ม, อมเดี๋ยวมันหลับเอ็กซ์เซรซเราไม่ได้บอกว่าเราเอ็กซ์เ ซ, ซาทางจิตของเรานะอะไรหลับจิตสิหลับคนนึกว่ากินข้าวอิม่มแล้วจะนั่งหลับเนานะเราบอกตรงๆเลยกินข้าวแล้วต้องไปเดินเดี๋ยวมันหลับเดี๋ยวจิตมันจะหลับซะนะเอ็กซ์เซอรซ์ทุกวันตนะ้อเอ็กซ์เซอร์ไ์ เอ็กซ์เซายจิตของเรานี่เขาก็กลมกลืนอยู่กับคนบ้าได้นะไม่เป็นไร <c oughs> มันไม่รู้หรอกว่าเราภาวนา <c oughs> ผ่านมาหลายๆปีนะมันจะรู้สึกถึงความต่างว่าทำไมเราดูมีความสุขดูผ่องใสสบายของเขาหน้าดำคร่ำเครียดนี่พวกเพื่อนหลวงพ่อนะเวลามาเยี่ยมนะเราเห็นแล้วอ้สารรูปแต่ละคนนะนี่ชาวโลกสารรูปดูไม่ได้เลยคนที่หมกอยู่ในโลก แต่คนที่ออกมาภาวนานะต่างกันมากเลยยิ่งตอนแก่นี่เห็นชัดเลยคนภาวนานะ้สดใสมีความสุขเบิกบานหน้าตาก็อิ่มเอิบเราภาวนานะ ย, ยิ่งเบิกบานมีความสุขส่วนคนในโลกก็หน้าดําขัําเครียดอายุ60สิบเนี่ยรอบแรกแล้วย่าแย่แล้วเกษียณมานี่รู้สึกทุกอย่างในชีวิตหายไปหมดไหม เคยมีอำนาจก็ไม่มีรายได้ก็ลดอะไรต่ออะไรลำบากมีความสุขนะอาวนาไปแล้วรู้ะไรชีวิตมันมีคุณค่าตรงไหนอยู่กับโลกเรานึกว่าโลกสิ่งน้นสิ่งนี้มีคุณค่าคุณค่าพระโลกเขาสมมุติให้ชั่วคราวไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงคุณค่าที่แท้จริงนะเราต้องอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะถ้าตายแล้วยังตามเราไปได้อีก คุณงามความดีทั้งหลายจิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนี่นำความสุขมาให้มีความสุขงนทุกวันต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบอยากจะดีเร็วๆก็ต้องทำในรูปแบบนะไม่ทำในรูปแบบเลยเก็จะเริญนสติในชีวิตประจาวันมันทำได้ชั่วคราวถึงจนหนึ่งจะหมดแรงทำไม่ได้หรอกอททำในรูปแบบด้วยจะได้มีแรงทำในรูปแบบทายังไง แนะแบ่งเวลาไว้นะอย่างน้อยวันหนึ่งสักสิบห้านาทีใครได้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเริ่มต้นด้วยเวลาเยอะๆตั้งใจไว้วันหนึ่งจะปฏิบัติสิบห้านาทีแล้วทำให้ได้จะเป็นจะตายต้องทำให้ได้ถ้าเริ่มต้นวันหนึ่งจะต้องป็นบัดิสองชั่วโมงนะวันที่สองมันเหลือชั่วโมงเดี๋ยววันที่สามเหลือครึ่งชั่วโมงต่อไปมันก็เลิกแล้วขี้เกียจเอาน้อยๆก่อน เรียกว่าแบบรักสายยันสัญญารักน้อยๆแต่รักนานๆออต้องแบบนั้นนะภาวนาให้มันมีความสุขเพื่อภาวนาได้นานๆภาวนาเก่งวิหวาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้กินหรอกสู้พวกอื่นๆไม่ได้นะทําหัวเข้าไปกระต่ายถึงแพ้เต่าเคยเรียนไหมกระตายกระเต่าเนาะเป็นกระต่ายนะมีแรงวิ่งปุ๊บ ๆ, ๆก็เลิกละเต่านเดินๆตมเตียมต้มเตียมเดินไม่เลิกอะ เราก็ต้องเดินภาวนาแบบเต่านะค่อยๆทำเร่าไปแต่ไม่เลิกวันนี้ขี้เกียจขี้เกียจก็ทําวันนี้เบื่อเบื่อก็ทําท้อวันนี้ท้อขึ้นมาท้อก็ทําไม่เลิกหรอกนี่ไปเลิกมันทําไมวันนึงทําให้กี่นาทีอดทนไว้เริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์ก่อนไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้านกราบพระก็กราบให้เป็นทําใจเหมือนเรากราบลงไปแทบเท้าพระพุทธเจ้าเลย เหมือนพระเจ้าอยู่กับเรากราบก็กราบให้ใจมันถึงพระจริงๆนะแล้วใจมันจะมีปีติมีความสุขมันได้สมาธิเบื้องต้นในทันทีที่กราบเลยนี่หลวงพ่อกราบให้ดูทุกวันเห็นไหมกราบแล้วจิตตั้งมั่นทันทีเลยรู้สึกไหมความจริงไม่กราบก็ตั้งเพราะว่าฝึกมานานแล้วนะแต่ตอนหันใหม่ๆนะกราบพระเนี่ยได้สมาธิ กราบพระเลยกราบให้พวกเราดูเรื่อยๆบางคนกราบพระไม่ไม่ยอมกราบคนสมัยใหม่จะคำนับพระอะไรเงี้ยเวลาเรากราบพระนะเริ่มต้นก่อนจะปฏิบัติในรูปแบบกราบพระก่อนเราลึกถึงพระพุทธเจ้านะทำความรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราท่านกําลังอยู่ต่อหน้าเรานี่เรากราบท่านด้วยใจอ่อนน้อมใจเราจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะเรียกว่าเป็นพุทธานุสติ ได้สมาธิขึ้นมาทันทีพอใจมันมีสมาธิแล้วนะเราก็เภาวนาต่อวันไหนมันยังฟุ้งซ่านเราทําความสงบเช่นวันนี้มันฟุ้งซ่านมันจะคิดตั้งร้อยเรื่องในเวลาสัาน้สนๆไม่นานคิดอุตลุ่ไปเลยแทนที่ให้มันคิดร้อยเรื่องก็พามันคิดเรื่องเดียวที่ดีๆนะี่คิดที่ดีๆเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดนะก็มีอยู่สิบเรื่องคิดถึงอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ คิดถึงทานที่เราทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วเนี่ยคิดถึงความสงบคิดถึงความเมตตาคิดถึงความตายนะคิดถึงลมหายใจในเรื่องราวที่ให้เราคิดถึงแทนที่จะไปบังคับมันว่าห้ามคิดห้ามคิดนะไปห้ามมันไม่ได้จิตพามันคิดเลยแต่ให้มันคิดในเรื่องที่ดีๆที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนาไว้นะอย่างวันไหนเราโกรธเขามากเลยเกลียดเขามากเลยนะแค้นมากเลยเนี่ย พิจารณาความตายเลยอย่าไปพิจารณาให้เขาตายนะอดูตัวเองตัวเองก็ตายเนี่ยเราก็โดดลดเต้นนะเดี๋ยวเราก็ตายแนละ้วเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนะที่เขาเกลียดกันเขาสู้กันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายมันก็ตายหมดทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยพอเราพิจารณาอย่างนี้นะคิดถึงความตายไปนะใจมันค่อยเย็นๆนะสงบได้สมาธิขึ้นมาใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะหรือว่าวันไหนจิตไม่ฟุ้งมาก ถ้าจิตฟุง้งมากก็พามันคิดไปคิดเรื่องดีๆะถ้ามันฟุ้งไม่มากก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมันเคลื่อนไม่เร็วมากถ้ามันเคลื่อนปุ๊บว๊บว๊บว๊บอุตรุนะพามันคิดพิจารณาเข้าไปเลยแต่ถ้ามันเคลื่อนไม่มากก็คอยรู้ทันตอนที่มันเคลื่อนพุทโธพุทโธไปจิตมันเคลื่อนรู้ทันว่าเคลื่อนหรือรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนรู้ว่าเคลื่อนเนื้อใจมันก็ค่อยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู นี้บางวันพอเราไหว้พระสวมดมนต์เสร็จนะใจมันตั้งมั่นแล้วทําไงต่อจะปฏิบัติในรูปแบบก็ เ, เดินปัญญาเลยเนะี่ยเดินปัญญาเลยเพราะฉะนได้หลายแบบนะนการทําในรูปแบบเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นไหว้ครูก่อนไหว้พระซะก่อนนะถ้าฟุ้งมากก็คิดพิจารณาเข้าไปนะให้หายฟุง้งนะเช่นเกลียดเข้ามากก็จเจริญเมตตาไปอย่างนีนะ้คิดถึงความเมตตา คิดถึงบุญวันนี้ไปทำบุญมาไปปล่อยบัวปล่อยควายมาขอให้ความเป็นควายของเราจงหายไปหรือคิดไปนะ <g ül> หรือความเป็นบัวกระทินดุร้ายให้หายไปนั่งคิดนั่งแผ่เมตตานั่งอะไรไปนะเ่อันนี้สำหรับฟุ้งมากถ้าฟุ้งน้อยก็ทำกรรมาฐานนันหนึ่งแล้วรู้ทานจิตที่หนีไปมันจะค่อยๆหนีไปเรารู้หนีเรารู้จิตจะตั้งมัน่นพอตั้งมั่นแล้วทาไงอีก บางวันกราบพระก็ตั้งมั่นแล้วบางวันไม่ตั้งมั่นก็ทำตามลาดับถ้าตั้งมั่นแล้วก็แยกขันนั่งไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูค่อยๆรู้สึกไปก็เห็นว่ากายกับใจมันคนละาันกันตรงที่เห็นกายเห็นใจเป็นคนละนกันนะรเห็นขันทั้งหลายแยกออกจากกันเนี่ยเป็นการเจริญปัญญาละเป็นเบื้องต้นของการเจริญปัญญา การเจริญปัญญามีสองส่วนส่วนเบื้องต้นกับส่วนซึ่งขึ้นวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เจริญปัญญาเฉยๆนะเจริญปัญญาทั้งหมดไม่ใช่วิปัสสนาเจริญปัญญามีสองขั้นขั้นแรกเนี่ยมันยังเจอด้วยการคิดอยู่เจอด้วยการเปรียบเทียบอยู่อยังเราคิดเปรียบเทียบเออร่างกายมันนั่งอยู่นั่นนะใจเราเป็นคนดูเนี่ยมันเจอด้วยการคิดอยู่ค่อยๆคิดนําไปตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะ หรือพอแยกได้แล้วก็มาดูต่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวตะกี้นี่หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าอตะกี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเลยเห็นเนี่ยร่างกายมันไม่เที่ยงนะแต่ไม่เที่ยงโดยการเปรียบเทียบคนละพวงเวลาอาศัยการคิดอาศัยความจำนะมาเปรียบเทียบเอาตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ว่าถ้าจะตรงที่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดจับ เช่นม <player> ันร <noise>. right. ู้สึกอยู่เนี่ยเนี่ยลมหายใจเข้าเข้ามาอ้าวขาดไปละวลมหายใจออกเกิดขึ้นแล้วขาดไปแล้วนะย่ารู้สึกจะเห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตานี่แหละถ้าดูจิตดูใจก็จะเห็นเนีนั่งวันนี้นั่งไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านรู้ทันว่าฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็ดับไปแล้วจิตตะกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่ฟุ้งแล้วถ้ายังจิตตะกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่ฟุ้งนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะ แต่ถ้าเห็นว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนะมันเคยมีอยู่มันดับจิตอีกถัดมานะมันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ต่ออีจิตตะกี้เนี่ยเป็นจิต ท, ที่รู้ไม่ใช่จิตที่ฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นอดีตที่ไกลไปแล้วนะี่มันจะรู้ตามชิดชิ ด, ช ด, ชดไปเรืยค่อยค่อ KS รู้สึกไปสุดท้ายมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับนะกุศลเกิดแล้วก็ดับ โลภโกรธหลงฟุ้งซ่านโหดหูเกิดแล้วก็ดับจะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปหมดไปสิ้นไปนะนี่แหละเราทําวิปัสสนาละคเห็นเห็นจริงๆถึงความเกิดดับถ้าคิดถึงความเกิดดับเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะงั้นในรูปแบบนี้ทำได้หลายอย่างนะที่ว่าปฏิบัติในรูปแบบ15นาทีของเราเนี่ยเริ่มแต่ไหว้พระฟุ้งมากก็ทําสมาธิที่ใช้ความคิดฟุ้งน้อยลงก็รู้ทัน จิตที่เคลื่อนไปพอจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนแล้วก็หัดแยกรูปแยกน้ำแยกธาตุแยกขันไปแยกรูปแยกนามก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายเป็นตัวรูปใจเราเป็นตัวน้ำแยกแล้แยกรูปแยกน้ำแยกธาตุแยกขัน่ะแยกละเอียดลงไปอีกในตัวรูปนั้นก็ประกอบด้วยธาตุมีธาตุดินน้ำฝ่ายลมอยู่ในตัวรูปนี้แยกละเอียดออกไปได้อีกเช่นเห็นลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อนนะรูปมันเปลี่ยน ธาตุไฟมันเปลี่ย น, นอาศัยลมเนี่ยลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อนเ น, นี่ยรู้สึกธาตุมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยนี่เรียกแยกธาตุนะแยกขันทําไงเราเห็นว่าความสุขก็เป็นขันหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็เป็นขันหนึ่งความจําก็เป็นขันหนึ่งจิตก็เป็นอีกขันหนึ่งความคิดปรุงดีปรุงชั่วเป็นขันหนึงเรียกสังขารขันจิตเป็นอีกขันหนึ่งเนี่ยเรียกแยกขันะ เราแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกน้ำแยกธาตุแยกขันธ์ไปนะไม่ต้องแยกหมดหรอกถนัดแยกอะไรก็แยกกันนั้นแหละถนัดดูกายก็เห็นว่ากายกับใจมันโคนละอนกันถนัดดูจิตก็เห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วนะกับจิตเนี้ยเป็นโคนละอันกันค่อยๆหัดไปอะไรๆก็เป็นโคนละอันกับจิตไปมันจะแยกออกจากกันอแยกได้แล้วมันจะสอนไตรลักษณ์เรานะ ร like in so mm ่างกายเนี่ยจะแสดงให้เห็นในตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าตัวที่นั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดอยู่นะแล้วก็ดับไปอะไรเนียก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอีกนะจิตก็ทํางานได้เองเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไหลไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไได้นี นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาของจิตเนี่ยเฝ้าดูนะในเวลา15นาทีนี่แหละบางคนอาจจะบรรลุพระอราหันต์ก็ได้นะใครจะรู้ว่าเราบา ร, รมีเก่าเรามีแค่ไหนนะถ้าบา ร, รมียังไม่พอทำอีกทำไปทุกวันทุกวันทีแรกยังขี้เกียจบ้างต่อไปพอทำไปนะไม่หักหารนะมีความสุขในการปฏิบัติมันจะเพิ่มเวลาเองนะบางคนตอนนี้เพิ่มได้วันหนึ่งสาสี่ชั่วโมงแล้วทั้งๆ้ ท, งที่แต่ก่อนนั่งสมาธิไม่ได้นะ เดี๋ยวนี้นั่งปฏิบัติในรูปแบบได้วันหนึ่งหลายๆชั่วโมงไม่ใช่เรื่องยากแนละ้วเพราะใจมันมีความสุขที่ได้ปฏิบัติอันแรกรักษาสีอันที่2ฝึกในรูปแบบนะในรูปแบบทําได้หลายแบบตามระดับจิตของเราในขณะวันนั้นอันที่3เจริญสติในชีวิตประจําวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ใช่การบังคับตัวเองนะไม่บังคับเลย ให้ร่างกายทํางานไปตามธรรมชาติให้จิตใจทํางานไปตามธรรมชาติจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะร่างกายก็มีตาตาก็เห็นรูปไปตาเห็นรูปแล้วใจเราเปลี่ยนเราก็รู้ทันหูได้ยินเสียงใจมันเปลี่ยนเราก็รู้ทันอย่างเราได้ยินเสียงธรรมะใจเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยรู้ทันว่าใจมันรลมเย็น เราได้ยินเสียงเท่าด่ากันทางการเมืองเลยนะใจเราว้าวุ่นร้อนขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราร้อนเนี่ยตามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนเราก็รู้ทันใจหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนอีกเราก็รู้ทันใจนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะใจเราก็เปลี่ยนเราก็รู้ทันใจอย่างเวลาอากาศ ร, ร้อนๆน้ลมเย็นโชยมานะใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ต้องแกล้งว่าเฉยๆนะ ต่อไปนี้สิ่งที่ชอบใจมาแล้วก็ทําเป็นเฉยเนี่ยเป็นคนสมมุติว่าเป็นคนเจ้าชู้นะเห็นสาวสวยเดินมาแล้วเฮ้ยเราเป็นนักปฏิบัติวันนี้เราจะปฏิบัติต้องทำเฉยดูสาวสวยเดินมานะ <c oughs> <c oughs> เอออย่างนี้แกล้งทํานะแกล้งเฉยไม่ต้องไปแกล้งใช้ใจธรรมดาธรรมดานี่เองหลวงพ่อถึงเคยบอกเรื่อยเลนะ จิตของเด็กนะดีมากเลยในการเจริญวิปัสสนามนะจิตของเด็กเนี่ยเป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายบางทีมันก็โกรธกันใช่ไหมโกรธกนันบอกโกรธร้อยปียามาดีร้อยชาติเคยเป็นไหมเคยเล่นไหมแต่ชาติของเธอสั้นนิดเดียวเลยเดี๋ยวก็หัวเราอใสกันแล้วนะเดี๋ยวก็รักกันอีกแล้วเดี๋ยวก็โกรธกันอีกแล้วเนี่ยจิตของเด็กมันดีตรงเนี้ยมันไม่มันยาไม่ดัดจจิิต เราไม่คิดมากไม่จําเรื่องราวร้ายๆนานะมีอะไรมากระทบเฉพาะหน้าก็มีความรู้สึกเฉพาะหน้าไปเท่านั้นแหละบางทีเสียใจนะน้ําตาเปียกหน้าเลยนะแล้วก็หัวล้อแล้วผู้ใหญ่เอาใจนีดเดียวหัวร้อแล้วะลืมความเศร้าโศกแล้วทั้งที่หน้าตายอย่างเปียกน้ําตาอยู่เลยใจมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยใจอย่างนี้เหมาะนะ ใจของเด็กเนี่ยเหมาะกับการทำวิปัสสนามากเลยเพราะมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอารมณ์มากระทบใจมันเปลี่ยนอารมณ์มากระทบใจมันเปลี่ยนนะตามันเห็นไอติมมันอยากกินรู้ว่าอยากนะของเราเห็นไอติมแนละ้อยากกินแต่ไม่ดูที่อยากนะอยา ก, กินเลยเดี๋ยวอ้วนอนะไรเนี่ยมันยามากนะเรื่องมากอะ่ะเวลาเข้าวัดก็ต้องพยายามทำตัวเป็นคนดีรู้สึกไหมพวกมันยา หลูพ่อเคยเจอนะตอนนั้นไปวัดทางอีสานเหนือเจอพวกคุณหญิงคุณนายแก่ๆนะเขาเดินสำรวมมาเลยมีหมามันนอนอยู่นะแกเดินย่อตัวผ่านหมาเราก็ถามว่าคุณป้าครับทำไมต้องเดินอย่างนั้นล่ะเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยโชว์แล้วฉันดีเนี่ยมารยา คนใช้มาด้วยนั่นบอกอุ้ยหลายจะตายไปอยู่บ้านน้าด่าชสุดขีดสวมหัวใจเด็กไว้เด็กเนี่ยมีข้อดีนะคือมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติข้อเสียคือมันไม่มีสติส่วนพวกเรามีสติแต่เราไม่มีใจที่เป็นธรรมชาติเราคอยแทรกแซงใจเราเรื่อยะกิเลสเกิดก็หาทางล้าใช่ไหมกุศลเกิดก็หาทางรักษา มีความสุขเกิดขึ้นมาก็หาทางรักษามีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็หาทางไล่ะเด็กไม่ไดคิดอะไรมากขนาดนั้นสวมหัวใจเด็กนะแล้วก็เติมสติลงไปใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใจดีก็รู้ใจโรคปวดหลงก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้เราคอยรู้ไปเรื่อยมีสติรู้ไปไดนะ้สุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นนลย ร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์หายใจออกมากๆ ก, ก, ก, ก, ก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกนั่งนานก็ทุกข์ก็ต้องขยับนะต้องยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิทิยาบบเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเนี้ยเนี่ยเฝ้าดูลงไปร่างกายนี้ก็มีแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตานะปัญญามันเกิดแต่อันนี้ไม่ได้คิดเอานะมันจะเห็นเอาเห็นจนกระทั่งใจมันปิ้งขึ้นมาเองเลยว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาปิ้งเนี่ยมันจะปิ้งมุมใดมุมหนึ่งมันไม่ปิ้งไตรลักษ์หรอกมันจะปิ้งด้านเดียวจุดเดียว เห็นอนนี้จังก็อนนี้จังเห็นทุกขังก็ทุกขังเห็นนัตตาก็อนัตตานะไม่รู้ทีเดียว3อย่างรู้อันเดียวรู้อันเดียวพอแล้วไม่ต้องรู้มากรู้มากยากนานนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการกระทบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนั้นเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะมันก็สุขของมันเองห้ามทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้มันทุกข์ของมันได้เอง มีการกระทบอารมณ์เข้ามานะจิตใจเราก็เปลี่ยนไปตามการกระทบนั้นเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตาตรงที่มันเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าเป็นอนิจจงนะตรงที่ว่ามันเปลี่ยนไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเรียกว่าอนัตตาไม่มีอำนาจเหนือมันแล้วเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาร้วนแต่เป็นภาระทางใจอันนี้จะดูยากนะเวลาที่ความสุขเกิดขึ้นรู้สึกเป็นภาระไหมจะดูยากถ้าความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกมีภาระไหม รู้สึกอึอดัดนะอยากจะไล่ไล่มันไปไม่ชอบหนักนะเวลาความสุขเกิดขึ้นยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นสติปัญญายังไม่พอหรอกต้องค่อยๆดูไปีดูจนกระทั่งเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นภาระทั้งสิ้นเลยนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจะบรรลุพระอรหันต์แล้วใกล้เคียงแล้วนะอีกไม่นานจะบรรลุแล้วถ้าเห็นจริงๆนะไม่ใช่คิดเอานะ ถ้าคีดเอาไม่บรรลุอะไรหรอกบรรลุความฟุง้งซ่านเท่านั้นเองนะพอไหวไหมวันนี้สรุปให้ฟังแนละ้วส่วนเรื่องมรรคผลนิพพานเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวตรวจกันบ้านไม่ทันใครอยากฟังเรื่องมรรคผลนิพพานก็มาฟังกันพรุ่งนี้ก็แล้วกั น, นวันนี้แค่เมื่อวานพูดเรื่องศีล น, นะก็เบสิกให้ฟังวนะ่าทาไมเราต้องปฏิบัติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกนะถอดถอนตัวเองออกจากทุกทุกมันก็คือกายกับใจเราเนี้ย ถ้หมดความยึดถือการ ย, ยึดถือใจมนพ้นทุกขเข้าสู่โลกุตรนะวิธีที่จะพ้นทุกไปได้ก็อาศัยศีลสมาธิปัญญาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเมื่อวานก็พูดเรื่องศีลไปแล้วนะแล้ววันนี้ก็มาสรุปนิดหน่อยเรื่องศีลเพให้มีสติรักษาจิตแล้วก็เรื่องสมาธิวันนี้ก็แยกแยะละเอียดสมาธิสองข่ายสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิฉาสมาธิไม่มีสติสัมมาสมาธิมีสติ สมาธิแยกออกเป็นสองอนสมาธิเพื่อการพักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขสมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นความตั้งมั่นจิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้วิธีที่จะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อาศัยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะแต่ความจริงมันจะมีสองวิธีใหญ่ๆนะสำหรับคนทรงฌานกับคนไม่ได้ทรงฌาน ที่ได้ตัวรู้มาเนี่ยเราะฉั้นเราใช้วิธีจิตเคลื่อนเลารู้จิตเคลื่อนเลารู้นะแล้วก็เวลาลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะทํารักษาศีลทาในรูปแบบทําในชีวิตประจําวันจะดูไตรลักษณ์ไปนี่สอนละเอียดยิบเลยนะแต่ยังไม่เต็มภูมิหรอกถ้าสอนเต็มภูมิต้องเรียนรักสามเดือนอย่านี้เอาคร่าวๆเอ่ะส่งกันบ้าน ครั บ, บส ก, การครับก็ได้ทำแต่รูปแบบมากหน่อยนะครับมาอยู่ที่วัดก็ทำในรูปแบบพยายามที่จะทำแบบที่ให้จิตสงบประคับค บ, บสมถะแต่ก็คอยจะจิตหนีไปก็รู้ว่าอะไรเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางช่วงพอรู้สึกว่ารู้สึกจิตจะเริ่มสงบดีนิ่งเย็นดีก็รู้สึกตัวแล้วก็มันก็ไปคิดอีกแล้วครับ้ห้ามมันไม่ได้หรอกครับก็เลยก็ดูไปมันชอบคิด ผมก็พยายามที่จะจะฝึกธรรมทาครับฝึกสมถะต้องน้อมไปหมายถึงถ้าใจมันจะนีไปเดินปัญญาไม่เอาไม่เอาปัญญากลับมาทําความสงบงเพราะเราไมมารู้อารมณ์มันเดียวต่อเวลาที่เจริญปัญญานะบางคนทําสมาธิมาพอได้สมาธิแล้วไม่ยอมเดินปัญญาครูบาอาจารย์ก็เขี้ยวเข็นให้เดินปัญญาพอเดินปัญญาเป็นนะมันจะไม่ทําสมาธิ เนี่ยต้องเขี่ยวเข็นให้มันทำเหมือนกันต้องน้อมไปทุกวันทุกวันต้องน้อมไปเดี๋ยวลองดูครั บ, บทุกเอาจะได้พ้นทุกพ้นร้อนไปเอ้าวมาอยู่วัดก็รู้สึกว่าใจมันเย็นขึ้นนะครับหลวงพอ่อมไม่งั้นมันมีแต่โทสาครับผมอืมดูข่าวเยอะปะก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้มีบ้างสิบนาทีดูทีแล้วไลน์เลยอะไรเล่นอยู่ข้อผอเฟซเฟสด้วย มีดูครับแต่ว่ามไม่ไม่ได้เล่นมากเดี๋ยวก็ตึงติ้งตุ้ ง, งภาษ า, ศ า, ศาอย่างนั้นเสียหมนเนาะคอย่าเล่นเยอะนะอินเทอร์เนต็ตเลยอ่ะนี่แล้วส่งข่าวกันทั้งวันนะใจเราวักแวกวักแวกตลอดนะใจไม่ไม่มีสมาธิเลยเสียหมนทางที่ดีไปติดต่อคนอื่นมากพระเจ้าสอนนะไม่ครุกคลีนะทนี่ตัวไม่เจอกันก็ส่งข้อความกันทั้งวันเลย จนเกิดภาษาวิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองมันพิมพ์ผิดจุงบงจุงบวยบ้าบอคอแตกเลยอะไรนะฟุดฟุดฟิดฟิดอะไรไม่รู้ฝุดฟุด <laughs> มาจากภาษาพิมพ์ผิดนี่แหละแล้ ว, ลวใจเสียหายหมดนะฟุ้งซ่านอย่าไปยุ่งกับมันมากไปทำเอาทาเป็นแล้วไม่มีปัญหาผ่านนะกับนมัมการหลวงพ่อครับ ก็ตอนนี้เมื่อวานนี้อยู่กับกายกับทั้งวันกับเห็นความรู้สึกเห็นร่างกายมันผลิตความความรู้สึกตัวแล้วก็ตามดูมันเรื่อยๆครับอก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันครับจิตขณะนี้มีสมาธิถูกต้องยังตอนขณะนี้ยังกดอยู่ครับเออกดนะจิตไม่เข้าฐานแล้วก็ไปกดมันไว้ด้วยนะให้รู้ทันเอา ใจฟูงซ่นให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านอย่าไปบังคับมันอย่าไปอยากดีครับแต่ว่าหลวงพ่อจะบอกความลับให้ใครนั่งตรงนี้เลยจิตต้องผิดธรรมชาติเขาต้องฉลาดนะเขาจะเลี้ยงหาเหยื่อหรือพวกเก่าๆเนี่ยจะหลบใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ให้ใจเข้าบ้านนะใจไม่เข้าบ้านหรอกมัจ้าอข้างนอกไปวิธีเข้าบ้านก็หายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวสบายๆ อย่าทิ้งคำว่าสบายนะต้องมีความสุข อ, อนนกกากย ย, ยกลายงี้ไม่ต้องไม่ต้องเพอนมือดูรู้สึกว่าหนูไม่เป็นกลางหนูดูไปใจเราฟุ้งเกลียนก็รู้ไปนะอใจเราเป็นยังไงก็รู้เอาอย่างที่มันเป็นถ้าดูใจได้ก็ดูดูไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันนั่งเนร่างกายมันกระพริบตายร่างกายมันเคลื่อนไหวดูให้มันสบายใจอย่าให้มันเครียดนะเครียดง่าย <laughs> เราต้องมีความสุขดูอย่างหลวงพ่อยิ้มทั้งวันเลย mm. ยิ้มดูพระพุทธรูปก็ได้มีใครเขาปั้นพระหน้าบึ้งไหมไม่ก็มีหรอกนอกจากมันปั้นไม่เป็น <c oughs> พระก็ยิ้มทั้งวันนะ mm. พระไม่หลับตาด้วยสังเกตไหมจะตั้งพระนอนอยังนอนลืมตาเลยหนูไปดูใจที่ฟุ้งหน้าแล้วก็พยายามรู้สึกร่างกายใช้ลมหายใจช่วย หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกหายใจแล้วรู้สึกตัวให้มากนะตัวนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเลยหายใจแล้วรู้สึกตัวนี่หายใจออกรู้สึกตัวจะเลือดหลับตาจะลืมตาก็ได้นะเมื่อวานก็ทําในรูปแบบเดินเดินจงกรมแล้วก็ขี้โมโหไหมขีม้โมโหมากเ<โ>อก็ เมือ่อวานพอเริ่มเดินไปสักพักหนึ่งมันก็กลับเข้าไปในในล่องที่มันเคยเป็นน่ะคือมันเหมือนมันไปประคองจิตอ <c oughs> แล้วก็รู้ว่าไม่เป็นกลางกับกับอารมณ์นั้นน่ะคะ่ะก็พยายามหาทางแก้ก็ก็ทราบเหมือนกันพอก็พยายามไปทําอิริยาบถอื่นจิตมันก็คลายออกมาก็เห็นว่าแหมมันน่าภูมิใจจริงๆริงเลย ชมมันบ้างอย่าว่ามันเ่าเราเป็นคนขี้มโมโหนะชมมันบ้างเวลามันภาวนาดีๆนะให้กำลังใจมันแล้วมีคำมีต้องปฏิบัติยังไงเพิ่มเติมไหมใจมันมโมโหก็รู้ว่ามโมโหนะไม่ห้ามมันไม่ดัดแปลงมันรู้อย่างที่มันเป็นนะแล้วมันจะมีสุขมีทุกข์อะไรขึ้นมาก็รู้อย่างที่มันเป็นดูจิตนะหมอละดูไปครับ อหลวงพ่อให้ถือไม้นานมันยิ่งตื่นเต้นนะครับก็พยายามอยู่กับร่างกายอ่ะครับแต่ก็จิตใจเ้าฝุ่งซ่านไปแต่ก็พยายามกลับมาอยู่ที่ร่างกายก็ปัญหาทุกอย่างก็ดูเหมือนหลวงพ่อเจออธิบายตอนตอ น, ตอนหลังจากกินข้าว ก, ก็ก็เดี๋ยวก็ต้องไปทําต่อไปทําเอานะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะจะเรียนนิดเดียวที่เหลือสู้เอาเองทำเอาลองผิดลองถูกเอา แต่ว่าไม่ร่อนเร่นะประเภทเรียนทางนี้แล้วย้ายสำนักไปอีกแบบนึงน่งอะไรเงี้ยถ้าเรียนหลายแบบเนี่ยไม่เคยมีใครสำเร็จหรอกมันจะสับสนอย่างหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยเด็ดเดียวเลยกับหลวงปู่ดุลนะเรียนรู้เรื่องแล้วเนี่ยค่อยออกไปดูสำนักต่างๆเขาเรียนอะไรเขาปฏิบัติอะไรเลยเราไปดูเราไม่เก๋แล้วอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักละวงั้นเราหัดช่วงแรกๆนะอย่าร่อนเร่ไป อยู่บ้านเรานะมาฟังทำทก็กลับบ้านภาวนานั่งรถอยู่ก็ภาวนานะทำอะไรก็ภาวนาสงสัยขึ้นมาก็ไปเปิดซีดีฟังเรามีทุกคําตอบแหลนะที่ควรตอบนะคําตอบที่ไม่ควรตอบเพราะไม่มีหรอกเราดูจิต ด, ดูใจของเรานะเอาใครจําเป็นลงกันบ้านไม่จําเป็นจะได้สอนเรื่องมรรคผลต่อมีไหมนี่เป็นการเบรกไม่ให้ถามเยอะ กูส่าหเยอะจนได้อะมาสักการหลวงพ่อประกาบครั้งที่สองนะคะอ๋อว่าไงก็ไปทําตามรูปแบบที่หลวงพ่อสอนนะคะก็ได้เห็นรูปนามแยกค่ะรู้สึกความทุกข์มันสั้นลงความอยากมันมากขึ้นค่ะ อ, อ, อะไรมากขึ้นนะความอยากมากขึ้นแล้วก็ความทุกข์ที่แบบ มันเกิดจากความอยากแหะค่ะสั้นลงค่ะความสุขก็สั้นเราเห็นความอยากบ่อยๆใช่ไหมค่ะแต่ความอยากนะพอเรารู้เมื่อดับนะะมันก็อยากบ่อยแต่ว่ามันอยากสั้นๆแต่มันก็สั้นลงค่ะแล้วก็นั่นแหละถูกแล้วละไปทําอีกวันนี้มาขอกันบ้านค่ะขันมันแยกเป็นแล้วะกายกับใจก็คนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วมันก็ผ่านมาผ่านไปนะไม่ใช่ใจเราหรอกใจเราเป็นแค่คนดูค่ะต่อไปนี้เราก็ดูไปเรื่อยทุกอย่างเป็นของชั่วคราว มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขากันบ้านหลวงพ่อได้นี่ไงให้แล้ว<ะ>แต่เป็นนี้รู้สึกตัวนะเห็นขันมันทํางานไปเห็นทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยนะทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยดูชั่วคราวไปหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะโลกหลดลงก็ชั่วคราวดูไปค่ะกราบพรธมสกานหลวงพ่อเจ้ค่ะอืมค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ยืนอรับประทานร อ, รอรอเข้าคิวที่จะรับประทานอาหารเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ยืนอยู่ก็ปกติแล้วจะดูลมเจ้าค่ะออืพอดีมองไปเห็นเสื้อข้างหลังอของโยมคนหนึ่งและเห็นจิตตัวเองมันพุ่งออกไปเจ้าค่ะอืมใเสร็จแล้วพอเห็นแล้วมันก็พอรู้ตัวว่าเห็นมันก็เป็นว่างๆมันมัน มันก็เห็นกายตัวเองยืนยืนอยู่ออืแล้วก็เห็นมันเป็นว่างๆเหมือนกับบอกไม่ถูกนะคะหลวงพ่อมันเป็นบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเจ้าค่ะแล้วก็พอรู้สึกไป ก, ก, ก็เห็นเป็นอย่างนั้นแต่แล้วพอไปเห็นอย่างอื่นมันก็คิดขึ้นมาใหมอ่อแล้วก็มันก็ดับก็เห็นมันว่างใหม่อย่างนั้น เ, <อ>เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเอเอนั่นแหละเกิดดับเกิดดับไปนะเจ้าค่ะตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็มีช่องว่างมาขั้นเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็มีช่องว่างมาขั้นเจ้าค่ะ นี่แสันตติมันขาดนะดีนรัสการหลวงพ่อค่ะก็มีคําถามว่าเวลานั่งสมาธิอะค่ะถ้าหนูนั่งแบบที่ก้นกระทบพื้นแล้วก็รู้สึกตัวไปคือรู้สึกที่ขาแล้วหนูนั่งแบบไหนก้นไม่กระทบพื้นก็ต้องนั่งอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อคุณเหรอเนาะรู้สึกรู้สึกไปอะค่ะแล้วก็รู้สึกถึงขาแล้วก็มา มาดูที่มือแล้วก็ดูทางตัวอย่างเงี้ยค่ะดูสบายๆไปนะไม่ต้องคอนเสิร์ไม่ต้องไปจี้ลงไปโตนั่นตัวเนี้ยบางคนไปจ้องอยู่ตรงที่กระทบนะกลายเป็นเพ่งเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์นิ่งๆไม่ดีเท่าไหร่หรอกนรัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกจิตไม่ตั้งมั่นประมาณปีสองปีแล้วครับแล้วก็พยายามทาในรูปแบบให้มากขึ้นแต่ก็ เหมือนมีย่อหย่อนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทำถูกหรือทำผิดก็พยายามฝึกของเราทุกวันนะแต่ประเภทเผลอไปคิดเรารู้บ่อยๆ ค, คิดเรารู้คิดลรวรู้ใจมันจะกลับมามนะแต่จะมีปัญหาในชีวิตประจำวันแบบสมมติลายเด้งก็แบบเห็นจิตว่ามันอยากจะไปแต่ว่ามันก็ไปหยิบมาดูอะไรอย่าง้ลบมันไปให้หมดเลย <laughs> ไอ้พวกนี้แหละเสเนียรจันไรกับการภาวนาเนี่ยจริงๆไม่ไลยเลยไรเนี่ยไม่ดีเลยมีอะไรต้องปรับปรุองอีกไหมครับก็อย่าไปเล่นลายมันสิก็ตั้งใจจะทําในรูปแบบให้มากขึ้นแล้วก็ตัดทางโลกให้เยอะขึ้นเอ อ, <c oughs> เอนะมันทําลายหมดเลยนะสมมติว่าเรากําลังภาวนานะ่อีกนิดนึงจะบรรลุโสดาแล้วติ่งใช่ไหมอย่างเงี้ยเรเจอเลยเสียหมดเลย แล้วก็มันก็ส่งข้อความอะไรกันทั้งวันนะซึ่งหาสาระไม่ได้เลยมีแต่ส่งหลอกกันไปหลอกกันมาทําให้ดูดีเท่านั้นแหละเห็นจะมีสาระอะไรเลยหลวงพ่อเคยเจอนะมาในวัดนี่แหละสองคนนั่งอยู่ทั้งต่างคนต่างกฎหนะัวล้กิ๊กกิ๊กกิ๊ถามว่าทำอะไรเล่นลายเล่นกับใครเล่นกับคนเนี้ <laughs> <laughs> เฟรนด์อมากนะ นั <N <N hmm> ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่นี่แหละสองคนอย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวเรากำลังจะบรรลุแล้วมันติ้งขึ้นมานะเสียเลยตอนนี้ที่ชัดเจนคือเมื่อกี้หัวใจมันเต้นแรงมากเราก็ดูไปเรื่อยอยู่ดีมันก็หายไปเองเออดีถูกแล้วล่ะพอวนาดีขึ้นนะใช้ได้พ่อคุรับน้ำสการครับหลวงพ่ออืมอ่ ผมไปบัตดโดยเวลาจิตมันไปคิดอะไรอย่างนี้ก็พยายามรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ห้ามมันนะครับให้มันคิดได้แล้คิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้อะไรเงี้ยไม่ต้องห้ามแต่ถ้ามันหนีไ่คิดรู้ว่าคิดยังไม่ทันจะรู้ว่าคิดอะไรอย่างนั้นสติเราเร็วอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้ากลัวมันจะคิดแล้วคอยจ้องใช้ไม่ได้นะมันจะเครียดแล้วเรารู้สบายๆไป ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าทําสมาธิได้บ้างก็ดีทำสมาธิแบบให้มีจิตมีอารมณ์อันเดียวอะนะอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแบ่งเวลาไว้สักสิบนาทีอะไรเงี้ยนะกลางวันกินข้าวแล้วก็นั่งหายใจไปเลยอย่ า, ยาไปหลับก็แล้วกันหายใจรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกให้จิตอยู่กับลมไปจิตจะได้มีกําลังมีแรงกับแข็งก็ไม่เหมือนกันนะ มีแรงไม่จำเป็นต้องแข็งนะถ้าแข็งไม่ถูกมีกําลังรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นกับปรีก้กับเปล่าในการภาวนาให้มีแรงนี่คือนั่งแบบอ า, อารมณ์เดียวเลยอารมณ์มเดียวอนะจะได้กําลังนะเขาคุณไปทําในรูปแบบบ้างนะทําสมาธิทําความสงบนะใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงอ้าวว่ามาเริ่มมาสการครับหลวงพ่อครับ เ, เวลาผมนั่งนั่งภาวนาครับตอนที่หลังจาก หลังจากที่ตัวเองสบายสบายปล่อยไปแล้วนะครับมันก็เริ่มรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนจิตรวมนะครับจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็เหมือนลอยขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนว่าเราลอยขึ้นมาตัางหากแล้วเรารู้และ ว, ว่าเรารู้อ hmm. จากนั้นเนี่ยมันเกิดปิติมาก hmm. ครับพอปิติมากปุ๊บเราก็เลยรู้ผมก็พยายามทําเหมือนจากที่ฟังจากซีดีนะครับพยายามไม่ไปไม่ไปอยากรู้ต่อมันเสร็จปั๊บมันก็หายพอเ hmm. ข้าต่อไป พออยากรู้ต่อไปอีกมันก็หายไปอีกอแต่ก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ปิตินะครับแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อครับไม่ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะหน้าที่เราเมียนเดียวคือดูความเป็นไตรลักษณ์ของเขาอย่างปิติมันก็มาได้เองเห็นไหมหรือมันจะไปมันก็ไปของมันเองเราสั่งอะไรมันไม่ได้แล้วก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปตีแรงเดี๋ยวก็ปปติเบาเดี๋ยวก็หายไป ดูใจลักไปไม่ว่าสภาวะอะไรนะเท่าเทียมกันหมดเลยสำหรับคนที่ทำมิปั ส, สนาจะเป็นปีติหรือจะเป็นความเศร้าโศกเป็นกิเลสเป็นอะไรเหมือนกันหมดเลยนะดูไปทุกอย่างมันชั่วคราวมาแล้วก็ไปแล้วก็บังคับไม่ได้ดูอย่างนี้แหละครับขอบพระคุณครับกราบนบสการค่ะหลวงพ่อ มีคำถามว่าถ้าเกิดนั่งบริกรรมไปนั่งในรูปแบบบริกรรมไปแล้วคำบริกรรมมันหายอะคะ่ะและ้วสติยังอยู่ไหมอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง<อ>บางทีถ้าอยู่ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดบางทีมันหายไปเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าหลับหรือเปล่าะะหายไปเลยถ้าสติไม่พอแล้วต้องทำยังไงครู้สึกตัวให้เข้มขึ้นหน่อยรู้สึกตัวแรงขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้หลวงพ่อจามาจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว มีคนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูนนะบอกพุโทโธแล้วพุโทโธหายหลวงปู่คงไม่ไม่ได้ดูเข า, าเออะพุโทโธหายก็ดีละอุปชาหลวงพ่อเป็นหลานหลวงปู่นั่งอยู่ด้วยนะท่านบอกท่านมองหน้าไอ้คนนี้แล้วไม่ใช่ภาวนาแล้วพุโทโธหายไปเพราะจิตดีหรอกต้องหลงแน่เลยก็ลเลยถามบอกว่าที่ว่าพุโทโธหายยังรู้สึกตัวเปล่าบอกไม่รู้สึกหรอกหายไปหมดเลยหลวงปู่ก็เลยหันมาบอกงั้นใช้ไม่ได้พุโทโธหายแล้วเพือ ถ้าหายไปแล้วยังมีความรู้สึกตัวนะมีสติอยู่ใช้ได้ถ้าพุโทโธก็หายสติก็หายไปพร้อมกันใช้ไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดฟุงะะฟ้งมากๆอะค่ะฟุ้งมากๆพุโทโธเร็วๆค่ะแล้วถ้าเกิดพุดโทโธเร็วๆแล้วถ้าเกิดเราใชออ้อย่างเช่นเราหลับตาเราเห็นพระพุทธรูปที่เราติดตา อ, อย่างนี้ค่ะเราเนึกถึงไปตรงนั้นได้ไหมคะได้เต็มเป็นสมรรถะนะค่ะเรารู้ว่าทําสมรรถะไม่มีปัญหา เราก็ดูพระวุธรูปไปเรื่อยพระจะค่อยๆใส่นะทีแรกเป็นภาพติดตาบริกรรมไปเรื่อยพระจะใส่ใส่ใสสว่างกรรมนันทการหลวงพ่อค่ะก mm ็ hmm. มาปฏิบัติทมเข้าขอยกับหลวงพ่อปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วค่ะ mm hmm. ก็ยังไม่เคยส่งกันบ้านเลย mm hmm. ที่ผ่านมาก็มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำแล้วก็คอยสอนค่ะ ตอนที่ปฏิบัตินะคะก็จะปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีปฏิบัติเป็นรูปแบบบ้างแต่ยังไม่สม่ําเสมอตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบก็จะมีฝุ้งบ้างแล้วก็คิดไปอะไรเงี้ยเวลารู้ตัวก็จะกลับมาเวลากลับมาก็จะคิดอีกแล้วก็กลับมาแต่ช่วงที่มันกลับมาไม่ได้ก็จะพยายาม รู้กายว่าว่ากายนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มั่นใจว่าเราไปดึงมาหรือเปล่าคะถ้าดึงสังเกตตรงนี้ถ้าดึงมาใจมันจะแน่นถ้าเราแค่รู้แล้วมันกลับมาเองอใจไม่แน่นแล้วถ้ามันแน่นๆน่นนะก็ดึงไว้แล้วที่ปฏิบัติมาที่ใชยได้เห็นไหมว่าขันมันแยกได้ไหมดูออกไหมยังดูไม่ค่อยออกสังเกตไหมว่าร่างกายมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า เ น, นี่ยขันมันแยกนะ<ม>ความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจไปรู้เขา้าไปทำต่อนะใช้ได้ไดีอยู่ขอบคุณค่ะคก็เอากา ร, รภาวนามาถวายครับหลวงพ่อครับดีจริครับก็จิตมีกำลังมากขึ้นครับแต่<ม>ยังไม่ถึงฐานครับหลวงพอ่อ ม, มันยังมีความฟุ้งอยู่ครับ<ม>าาฟุง้งไม่เป็นไรนะจิตมันตั้งมั่นแต่ว่าอารมณ์มันฟุ้งเนี่ไม่เป็นไร จิตการมมัเปนคนละอันมอเห็นนะเห็นแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นมัไม่ฟุ้งหรอกจิตไม่ฟุง้งสังขารมันฟุ้งต่างหากเราภาวนาไปนะจะเห็นนะยจิตไม่ได้ฟุ้งอะไรเลยสังขารมันฟุง้งมันคนละอันกันอืมผมยังแทรกแซงอยู่ครับหลวงพ่อแต่น้อยลงครับดีถ้าแทรกแซงเราจะทุกข์นะครับจะทุกข์อ่า ช่วงนี้สงบมากขึ้นครับผ ม, มพเพิ่งจะมาสงบเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองครับแล้วนะดีจีได้สงบบ้างก็ดีนะพ่อขอาการครับผมจิตเป็นยังไงตอนนี้เห็นกิเลสไหมก็ไหวๆเล็กน้อยครับหลวงพ่อครับไหวๆครับผมอ ท, ที่ไหวๆจิตไปรู้เข้ามันไหวอยู่ตรงไหนมันไหวอยู่วงนอ ก, นอกครับผมเออนะ ดูนะทุกอย่างมันเวลามันมีการกระทบอารมณ์มันก็ไหวขึ้นมานะครับผมมันไหวของมันเองเห็นไหมมันไหวได้เองดูออกไมมตัวนี้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเรานะเราจะเห็นว่ามันไม่มีเจ้าของหรอบมันเป็นของที่เป็นไปเองทั้งหมดเลยกระทั่งความไหวนี้ก็ไหวขึ้นมาเองนะให้แค่รู้แค่เห็นไปอย่าคิดเยอะนะแล้วทาไงต่อหลวงพ่อ รู้อย่างที่เขาเป็นนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะแค่รู้ทันเท่านั้นเองนะมันไ ม, ม่มาที่ใจครับหลวงพ่อมันมาแค่ข้างนอกอย่างเดียวอเออข้างนอกก็รู้อย่อยางี้ย น, นะข้างนอกอย่างเดียวเพราะว่าใจใจมันถ้าเกิดจับแล้วใจมันกยังสบายอยู่ใจมันก็ยังอยู่ของมันอยู่เป็นปกติครับถ้าขันมันแยกเนี่ยใจมันก็ยังเป็นปกติอยู่ครับปุ๊บออแต่ว่าข้างนอกบมันก็เป็นแค่ข้างนอกปุ๊บปุอย่างเนี้ยใจเราไม่ปกติแล้วรู้หรอไหม เมื่อกียใจหายไปอะเขาผมหายครับเห็นไหมใจไม่เที่ยงครับให้รู้อย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจิตยังไม่เที่ยงอยู่นะแล้วจะทำไงให้มันละเอียดลงขึ้นกว่าเดิมอย่าทําให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะสุดท้ายนั่นจะไม่ยึดถือนะไม่ใช่เพราะทําอะไรสําเร็จนะครับผมมันจะหมดความยึดถือไม่ใช่เพราะว่าไปแก้ไขมันจนมันละเอียดได้สาเร็จครับผมละเอียดก็ไม่เอาหรอกแล้เราไม่ต้องทิ้งมันใช่ไหมครับมันทิ้งของมันเองมันทิ้งของมันเองอืมมันทิ้งของมันเอง ตอนที่ปัญญาเกิดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้ตัวรู้นี้เองก็ไม่เชียงตัวรู้นี้ก็ไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองก็มันมันซ่อนอยู่หลังไอ้รู้เนี่ยหลวงพ่อเอออย่าไปหาอย่าไปค้นนะผมของผมนี่ครับผมผมจับมันก่อนใช่ไหมครับจับมันให้ให้นี่ปุ๊บพอรู้แล้วเราก็ปล่อยแล้วคลายมันแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เห็นเอออย่าไปทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องทําไม่ต้องทําแล้วทําอะไรครับผมไม่ต้องทําอะไรปล่อยแค่นี้อย่างเดียวครับเออดูมันเกิดดับไป เห็นไหมในตัวรู้ดับแล้วจะเป็นตัวคิดเห็นไหมแค่เนี้ยพอล้วรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะอย่าทำมากกว่านี้นะครับทํามากกว่านี้เราค้นคว้าลึกเกินไปครับผมะกิเลสไม่ได้ลึกขนาดนั้นหรอกแล้วมันจะเสถียรขึ้นไหมครับหลวงพ่อคําว่าเสถียรเนี่ยเราไม่เอานะไม่เอานะครับเออปล่อยมันอย่างเดียวมันจะปล่อยวางครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปล่อยหรอกอย่าเพิ่งรีบปล่อยนะถ้าปล่อยแล้วสติแตกเลย ก็ดีครับจะได้หอบฟางเรื่อยๆครับเอออย่าไปหอบมันฟางหายากรอบหลวงพ่อครับไปหอบข้าวอีข้าวล้นตลาด <c oughs> อ้าวเชิญกลับบ้านครับ